สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่18ข้อที่16ถึงข้อที่39ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าโอบดีจึงเข้าเฝ้าอาหับและกราบทูลพระองค์อาหับก็เสด็จออกมาพบกับเอลียาเมื่ออาหับเห็นเอลียาก็ตรัสว่านี่หรือ เจ้าคนที่นำความเดือดร้อนมาสู่อิสราเอลเอริยาตอบว่าไม่ใช่ขบะเจ้าท่านกับวงวานของบิดาของท่านต่างหากที่นำความเดือดร้อนมาสู่อิสราเอลท่านเละทิ้งพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปติดตามพระบาอันบัดนี้จงรวมประชากรจากทั่วอิสราเอลมาพบขบะเจ้าบนภูเขาคาราเมลพร้อมทั้งผู้ทํานายของบาอัน450คนและผู้ทํานายของเจ้าแม่อาเชรา400คน ซึ่งร่วมโตเสวยของพระนางเยเซเบลอาหับจึงส่งข่าวไปทั่วทั้งอิสราเอลและเรียกบรรดาผู้ทานายมาชุมนุมบนภูเขาคาราเมลเอลียาห์มาอยู่ต่อหน้าประชาชนและกล่าวว่าพวกท่านจะเหยียบเรือสองแคมไปนานสักเท่าใดหากพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์แต่หากบาอันเป็นพระเจ้าก็ไปติดตามเขาเถิด แต่ประชาชนไม่พูดอะไรเอลียาจึงกล่าวว่าเราเป็นผู้ผเผยพระชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ฝ่ายบาอันมีผู้ทานายถึง450คนจงนำวัวหนุ่มมาสองตัวให้ผู้ทานายของพระบาอันเลือกไปตัวหนึ่งสับเป็นท่อนๆวางบนฟืนที่แท่นบูชาแต่ไม่ต้องจุดไฟแล้วเราจะเตรียมวัวอีกตัวนามาวางไว้บนฟืนโดยไม่จุดไฟเช่นกัน จากนั้นพวกเจ้าจงร้องออกนามพระของพวกเจ้าส่วนเราจะร้องออกนามพระยาเวพระเจ้าองค์ที่ตอบโดยส่งไฟมานั่นแหละคือพระเจ้าที่แท้จริงคนทั้งปวงก็กล่าวว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นดีแล้วเอลิยากราวกับผู้ทํานายของพระปลาอันว่าพวกเจ้าลงมือก่อนสิเพราะมีกันหลายคนจงเลือกอัวไปตัวหนึ่งจัดเตรียม แล้วร้องเรียกพระของเจ้าแต่อย่าจุดไฟพวกเขาจึงรับวัวไปจัดเตรียมแล้วพวกเขาร้องเรียกพระบาอันตั้งแต่เช้าจนเที่ยงร้องตะโกนว่าฆ่าแต่พระบาอันโปรดตอบเถิดแต่ไม่มีใครตรอบอะไรเลยพวกเขาก็ไร่รำไปรอบๆแท่นที่สร้างขึ้นตอนเที่ยงเอลียาก็เริ่มถากถางพวกเขาว่าตะโกนดังขึ้นอีกหน่อยก็บาอันเป็นพระเจ้านี่ บางทีอาจจะกำลังเข้าสมาธิหรือเข้าห้องน้ำอยู่หรือกำลังเดินทางไม่ก็หลับไปต้องช่วยกันปลุกให้ตื่นฉะนั้นพวกเขายิ่งร้องตะโกนดังขึ้นเอาดาบและหอกมาเชื้อเนื้อตัวเองตามพิธีจนเลือดไหลเที่ยงวันผ่านไปพวกเขาส่งเสียงตลอดบ่ายจนถึงเวลาถวายเครื่องบูชาในตอนเย็นแต่ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีคาตอบอะไรเลย ไม่มีใครสนใจเอลยาจึงกล่าวแก่เชาวประชากรว่ามาที่นี่เถิดพวกเขาก็มาเอยาซ่อมแท่นบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่ในสภาพหักพังเอลยานําหินมา12ก้อนแต่ละก้อนแทนแต่ละเผ่าซึ่งสืบเชื้อสายมาจากยาโคบผู้ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอิสราเอลจะเป็นนามของเจ้า เขาใช้หินสร้างแท่นบูชาในพระนามพระยาเวและขุดร่องรอบแท่นพอที่จะใส่มเมล็ดพืชได้ประมาณ15ลิตรเขาเรียงฟืนบนแท่นและสับอัวนุ่มตัวนั้นเป็นท่อนๆวางบนฟืนแล้วสั่งว่าจงตักน้ำให้เต็มสี่ถังเทลงบนเครื่องบูชากับฟืนเขากล่าวว่าจงทำอีกครั้งพวกเขาก็ปฏิบัติตามและเขาสั่งว่าทาเป็นครั้งที่สาม พวกเขาก็ทําตามเป็นครั้งที่สน้ํานั้นไหลรอบแท่นเต็มร่องที่ขุดไว้พอถึงเวลาถวายเครื่องบูชาผู้เผยพระชนะเอลียาเดินมาข้างหน้าและอธิษฐานว่าข้าแต่พระยาวยพระเจ้าของอับราฮมัมอิสอักและอิสราเอลขอให้เป็นที่ทราบทั่วกันในวันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และกระทำทั้งหมดนี้ตามพระบัญชาของพระองค์แค่แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงตอบข้าพระองโปรดตอบเถิดเพื่อประชากรเหล่านี้จะได้รู้ว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงนําจิตใจของพวกเขากลับมาหาพระองค์ทันใดนั้นเองไฟขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตกลงมาและเผาเครื่องบูชาฟืนหินและพื้นดินตรงนั้นและแม้แต่น้ําในร่อง รอบแท่นก็แห้งไปหมดเมื่อประชากรเห็นดังนั้นก็ซบหน้าลงร้องว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าพี่น้องครับพระกัมภีวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างยาวนะครับแต่ว่าสาระสำคัญในวันนี้ก็คือประการแรกครับเมื่อกษัตริย์อาหับได้มาพบกับเอริยาสิ่งที่กษัตริย์อาหับ ได้พูดกับเอริยาเขาว่านี่เจ้าเป็นคนที่นำความเดือดร้อนมาสู่อิสราเอลแต่เอลิยาตอบว่าไม่ใช่ท่านกับงวงวานของบีดาของท่านต่างหากที่นำความเดือดร้อนมาสู่อิสราเอลเพราะท่านได้ทิ้งพระบัญชาของพระเจ้าไปติดตามพระบัญชี่นอนครับเมื่อความเดือดร้อนมาถึงชุมชนประชากรของพระเจ้าจะมีการโทษกันครับโทษกันไปโทษกันมาระหว่างผู้นา ผู้รับผิดชอบทั้งหลายท่านได้ละทิ้งพระบัญชาขององค์พระผู้เเจ้าไปติดตามพระบาอันนี่คือต้นเหตุปัญหาของอิสราเอลไม่ใช่เอลียาหรือการกันดานอาหารแต่เป็นเพราะอาหับครับไปพักดีกับพระบาอันไม่จงรักพักดีกับพระสัญญาของพระเจ้าและพันธสัญญาของพระองค์พี่น้องครับภูเขาคารเมลนี้เป็นภูเขาที่เรียกว่าเป็นเวทีแห่งการประลองยุทธครับ ลองดูว่าพระของใครจะเป็นพระเที่ยงแท้ยิ่งใหญ่กว่ากันคาราเมลเป็นภูเขาสูงอยู่ติดกับฝั่งกะเลเมดิเตอร์เรเนียนคำว่าติดกับทะเลเมดิเตอรีนหมายความว่าไม่ได้อยู่ที่ริมทะเลนะครับแต่ว่าอยู่ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็คืออยู่ทางตะวันตกของฝากแม่น้ําจาะแดนพี่น้องครับสถานที่แห่งนี้นะครับคงจะไม่ได้รับผลกระทบ กันกันดารนอาหารมากหนักแล้วก็มีพวกผู้ทำนายของพระบาอันอยู่แถวแถวนั้นแล้วก็พวกผู้ทานายของเจ้าแม่อาเชราอยู่แถวแถวนั้นครับนี่คือการเผชิญหน้าระหว่างเอริยากับอาหับโดยที่อาหับนั้นก็จะมีผู้ทำนายของบาอัน450รคนแล้วก็ผู้ทำนายของอาเชรา400รคนอาหับก็เลยเรียกผู้ทานายเหล่านั้นมาชุมนุมกันเอริยาก็มาชุมนุมกันและกล่าวว่า กากับอิสราเอลครับบอกว่าพวกท่านจะเหยียบเรือสองแคมไปนานสักเท่าใดพี่น้องครับคำว่าเหยียบเรือสองแคมนั้นภาษาฮีบรูนั้นเป็นคําคําเดียวกับคําว่าไร้รำไร้รำครับเอลียกําลังประชบประชาชนว่าความลังเลทางศาสนาของอิสราเอลทําให้พวกเขาไร้รําอย่างบ้าคลั่งและไร้ประโยชน์หากพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามโปรงแต่ถ้าหากบาอันเป็นพระเจ้าก็ติดตามก็เถิดเอเรียเสนอทางเลือกในการคอนฟรอนต์ในกา ร, confront, กา ร, รเผชิญหน้าครับ ชัดเจนมากครับให้กับประชาชนแสดงความแตกต่างระหว่างการนมัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้กับการนมัสการพ ร, พระบาทันเพื่อกระจัดความคิดนอกกรีดที่ว่าประชาชนสามารถนมัสการพระทั้งสององค์ได้นี่แหละครับคือการเหยียบเรือสองแคมสามารถนมัสการพระทั้งสององค์ได้ในสมัยนี้ครับการเหยียบเรือ2แคมก็คือเรานมัสการเงินทองและนมัสการพระเจ้า หลายคนนมัสการเงินทองและนมัสการพระเจ้าไปพร้อมๆกันนี่คือการไร้รำเราเห็นการไร้รำไปรอบๆแท่นในข้อที่26บนะครับเป็นการไร้รำด้วยความยินดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมของาศาสนาต่างชาติซึ่งเป็นาศาสนากรบไหวลูกครรพบั้งใจจะเรา้าเทพเจ้าให้กระทำบางอย่างตามที่ตนประสงค์ครับไม่ได้ต้องการให้พระองค์พอพระไทยแต่ เป็นการใ ช, ใช้พระของเขาเพื่อทำสิ่งที่ตัวเองต้องการหลายครั้งการร่ า, รายรำนั้นได้ท่วงท่าหรือท่าทีที่เป็นการเย้ยเป็นการเร้าเย้ายวนให้เทพเจ้านั้นได้กระทำบางอย่างที่ตัวเองต้องการพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราได้รับรบทเรียนว่าเวลาที่เราเกิดอะไรขึ้นในองค์กรของเรา ในสถาบันของเราเราเองนั้นจะต้องพิจารณาตัวเองก่อนครับว่าตัวเองนั้นเป็นอุปสรรคในการเดินต่อไปขององค์กรของครอบครัวของสถาบันหรือไม่อย่างไรนั่นคือสิ่งที่จะต้องไม่โทษกันไปโทษกันมาแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าเราจะต้องยอมรับความจริงว่าใครเป็นคนที่มีส่วนในการทําให้องค์กรต่างๆ ครอบครัวแย่ลงความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยและสามารถที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องได้นำประชากรของพระองค์ให้เข้าสู่ความจริงเราจะเห็นการตอบสนองต่อการเรียกร้องท้าทายการคอนฟรอนต์กา ร, การเผชิญหน้าของเอยากับอาหับประชาชนตอนแรกก็นิ่งอยู่เมื่อเอริยานั้นได้นำเสนอวิธีการที่จะ เผชิญหน้ากันในที่สุดประชากนก็บอกว่าใช้ได้และดีพระกมีได้บันทึกไว้ในข้อที่ยบสบอกว่าคนทั้งปวงก็กล่าวว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นดีแล้วพระเจ้าองค์ที่ส่งไฟลงมานั่นแหละคือพระเจ้าที่แท้จริงพี่น้องครับนั่นคือประเด็นที่สำคัญในเช้าวนันนี้พระเจ้าที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นพระเจ้าที่อยู่สูงที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดและสามารถที่จะดำเนินการบางสิ่งบางอย่างกับชีวิตของพวกเราได้นั่นคือพระเจ้าองค์เทียงแท้ครับและสถานที่ที่เป็นเวทีที่ผมได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับภูเขาคาราเมลซึ่งเป็นที่แข่งขันภูเขานี้เหมาะครับเพราะว่าตั้งอยู่ระหว่างอิสราเอลกับฟอนิเซียซึ่งเป็นดินแดนของพระบาอัน ยิ่งกว่านั้นอีกชาวฟอนิเซียก็ถือว่าภูเขานี้เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นที่สิงสถิตของพระบาอันเพราะไม่ไม่ต้องสงสัยครับว่าอาหับนั้นมีความยินดีครับเพราะว่าได้เปรียบผู้เผยพระพนะของพระบาอันก็ได้เปรียบแต่เอริยาไม่รู้สึกหวาดหวั่นในเรื่องนี้เพราะภูเขานี้ก็เป็นที่ที่มีความหมายต่อเอริยาเช่นกันเพราะว่าภูเขานี้เป็นภูเขา ที่พระเจ้าจะทรงทําการอศัศจรรย์และยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกลัวนะครับว่าเวทีจะอยู่ที่ไหนเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกๆภูเขาทุกๆแห่งที่คนของพระเจ้าได้ไปในวันพรุ่งนี้ครับเราจะมาต่อกันในภาคที่สองครับเรื่องของการพนันขันต่อที่ Car าเมลขอพระเจ้าช่วยและเสริมกาลังพี่น้องในการที่เราเองนั้นจะได้รับบทเรียนจากพระเจ้าเป็นบทเรียนใหม่ทุกวันเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะได้เติบโตเจริญขึ้นในทางของพระองค์ต่อไปอาเมน